เรื่องเที่ยวบินธบาตรหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปรารถนาว่าประชาชนจักยกย่องเราอย่างนี้จึงเที่ยวบินธบาตประชาชนก็ยกย่องท่านท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอนหนึง่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงบินธาบาท ด, ด้วยปรารถนาว่าจะได้รับคํายกย่องภิกษุใดเที่ยวบินธาบาต ด, ด้วยปรารถนาอย่างนั้นภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏวงเล็บเรื่องที่สาม